45, สี่ส้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนกพสมเด็จพระญาณสัมวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายก ภาที่เจ็ดาวดึงเทวโลกอภิธรรมปิดกจะแสดงเรื่องราษาที่เจ็ดของพระพุทธเจ้าว่าเดือเรื่องอภิธรรมพระไตรปิฎกในลัทธิเทรวาตหรือที่ฝ่ายมหายานเรียกว่าหีนายานมีสามคือวินัยปิดกหนึ่ง สุดตันตปิฎกหนึ่งตปิธรรมปิฎกหนึ่งจบับพิมพ์ด้วยอักษรไทยเรียกว่าเป็นฉบับสยามรัฐบัตรนี้มีรวมกัน45เล่มด้วยกำหนดเล่มเท่าเวลา45ปีของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้ได้จารเป็นอักษรขอ ม, มานานแต่มาพิมพ์ด้วยอักษรไทยเป็นเล่มครั้งแรกในรัชกาลที่ห้า แต่ยังไม่ได้ต้นฉบับมาสมบูรณ์ต่อมาได้ต้นฉบับมาสมบูรณ์และได้พิมพ์ขึ้นเมื่อต้นรัชกาลที่เจ็ดเมื่อพุทธศักราช2470โดยที่โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ขึ้นและจักชวนให้ประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นอนุสร์ในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร, รัชกาลที่หเฉพาะอภิธรรมปีดกนั้น มีตั้งแต่เล่มสาสิบสี่ถึงเล่มสี่สิบห้ารวมสิบสองเล่มคำว่าปิดกแปลว่าตะกรา้าหมายถึงเป็นหมวดใหญ่สําหรับรูปรวมไตรแปลว่าสามไตรปิดกก็แปลว่าสามตะกร้าเพราะวินัยก็รวมเป็นตะกร้าหนึ่งสุตตันตะตะกร้าหนึ่งอภิธรรมตะกร้าหนึ่งก็เป็นสามปีดก พระไตรปิฎกนี้แหละเป็นตำราชั้นที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ตามตำนานว่าพระสงฆ์ในหลังกาได้ประชุมกันทำสังคายนานับเป็นครั้งที่ห้านับต่อจากที่สังคายนาในอินเดียและได้จารึกเป็นอักษรเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วได้เสียร้อยปีเศษคำภีอภิธรรมปิฎกนี้แปลกจากสองปิฎกข้างต้นเพราะว่าไม่มีนิทานคาว่านิทานนั้น ในภาษาไทยหมายถึงนิยายที่เล่าแต่ว่าในที่นี้หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทําให้พระพุทธเจ้าทรงปราบรบเรื่องนั้นทรงบัญญัติพระวินัยทรงแสดงธรรมเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่านิทานเป็นเรื่องจริงในคราวนั้นในวินัยปิฎกก็มีนิทานคือเรื่องที่เล่า ว, ว่าพระองค์ไหนไปประพฤติอย่างใด พระพุทธเจ้าก็ส่งปรารบความประพฤตินั้นบัญญัติพระวินัยในพระสุตตานตะก็เหมือนกันมีนิทานี่มีเรื่องที่เล่าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนทรงแสดงธรรมแก่ใครแม้ที่เป็นหมวดเบตเตเล็กรวมไว้แต่ลําพังคําสอนแต่ท่านก็ได้มีอธิบายอ้างว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ผู้นั้นผู้นี้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนในอภิธรรมปิดกนี้ไม่มีนิทานเลยคือไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปราบใครตรัสแก่ใครที่ไหนเมื่อไรและโดยเฉพาะก็ไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือขึ้นต้นก็แสดงธรรม ท, ทีเดียวไม่มีเรื่องประกอฉะนั้นจึงไม่อาจจะหาประวัติได้จากหนังสือที่เป็นตำราชั้นบาลีคือชั้นดั้งเดิม ว่าอภิธรรมปิดกนี้ได้เกิดขึ้นได้เป็นมาอย่างไรคราวนี้ถ้าจะอาศัยคำว่าอภิธรรมไปค้นดูว่าคานี้จะมีใช้ในพระสูตรที่ไหนบ้างก็จะพบว่าได้มีใช้คําว่าอภิธรรมในพระสูตรหลายพระสูตรใช้เฉพาะคําว่าอภิธรรมคำเดียวก็มีใช้คู่กับคําว่าอภิวินัยก็มีแต่ว่าอัตถกถาของพระสูตรนั้นได้แก้ความหมายไว้ว่า คำว่าอภิธรรมในที่นั้นหมายถึงธรรมชั้นสูงโดยเฉพาะก็คือโพธิปักกียธรรมไม่ได้แก้ว่าหมายถึงธรรมในอภิธรรมปิฎกส่วนในวินัยปิฎกตอนอธิบายถึงการแจกเสนาสนะได้มีกล่าวไว้บ้างว่าเสนาสนะคาหาปะกะคือพระที่มีหน้าที่แจกเสนาสนะย่อมแจกเสนาสนะให้แก่พิสุที่เป็นสภาพ คือมีส่วนเสมอกันในการศึกษาเป็นต้นเป็นพวกพวกคือที่ศึกษาวินัยปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ๆกันพวกหนึ่งที่ศึกษาสุตตันตปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ๆกันพวกหนึ่งที่ศึกษาอภิธรรมปิฎกก็ให้อยู่ใกล้ๆกันพวกหนึ่งแต่ว่าคาอธิบายนั้นเป็นคำชั้นอาตถกาถา การสังคายนาธรรมเนียมที่พระได้เรียนพระพุทธวจนะเป็นพวกพวกนี้เป็นธรรมเนียมที่มีก่อนที่จะจารึกลงเป็นตัวอักษรเพราะว่าจะต้องท่องจำกันท่องจำนั้นก็ไม่ใช่อ่านท่องจำต้องมาต่อจากอาจารย์ต่อแล้วก็จำกันไปเป็นวักวักเพราะว่าหนังสือไม่มี อาจารย์นั่นเองเป็นหนังสือเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะมีผู้จําได้ทั้งหมดจึงต้องแบ่งกันเป็นพวกพวกใครชอบที่จะจําพระวินัยก็พวกหนึ่งใครชอบที่จะจําพระสุตตันต์ก็พวกหนึ่งใครชอบที่จะจําพระอภิธรรมก็พวกหนึ่งแล้วก็ทั้งสามพวกนี้พวกที่จะจําได้ตลอดหมดทั้งปิดกก็มีน้อยอีกเพราะปิดกหนึ่งก็มากจึงต้องแบ่งกันออกไปอีก อย่างวินัยก็ใครจะจําตอนไหนก็ตอนนั้นสุตตันตะก็เหมือนกันใครจะจาหมวดไหนก็หมวดนั้นอภิธรรมก็เหมือนกันเฉพาะผู้ที่มีความทรงจําดีเลิศจึงจะจําได้ทั้งสามปิดกจําได้ปิดกหนึ่งปิดกหนึ่งก็นับว่ามีความทรงจํามากอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีประชุมซักซ้อมกันผู้ที่จําพระพุทธวจนะปิดกไหนตอนไหนไว้ได้ก็รวมกันเข้าแล้วก็สักซ้อม วิธีซักซ้อมนั้นก็คือต้องสวดพร้อมๆกันต้องสักซ้อมกันอยู่เสมอไม่เจนน้นก็ลืมนี้แหละเป็นต้นของธรำเนียมประชุมกันสวดมนต์ดังเป็นธรำเนียมกันทั่วไปในทุกวัดมีการประชุมสวดมนต์กันเวลาเช้ากับเวลาเย็นหรือค่ำและเมื่อจะซักซ้อมประสูตรอย่างเช่นว่าธรรมจักกับปะวัตนสูตรก็สวดพระสูตรนี้พร้อมๆกัน การที่สวดขึ้นพร้อมๆกันนี่แหละเรียกว่าสังคีติหรือสังขายนาแปลว่าขับขึ้นพร้อมๆกันโดยปกติก็ประชุมสวดเป็นการซักซ้องกันเป็นการย่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมแต่ว่าเมื่นอนานๆเข้าก็ประชุมใหญ่กันสักทีหนึ่งเลือกออกผู้ที่จำได้มากๆและเป็นที่นับถือกันว่าจาได้ถูกต้องแน่นอน มารวมกันเข้าแล้วก็สวดซักซ้อมกันเป็นการใหญ่คือว่าสวดซักซ้อมกันทั้งหมดเมื่อจะจับวินัยขึ้นก่อนก็วินัยไปจนจบโดยมากก็จับวินัยขึ้นสวดซักซ้อมกันก่อนในการที่ประชุมสวดซักซ้อมกันนี้ก็อาจจะจํามาถูกต้องกันบ้างต่างกันบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหารือกันว่าความถูกต้องจะพึงมีอย่างไรและเมื่อตกลงกันว่า แบบนี้ละถูกก็สวดขึ้นพร้อมๆกันเป็นการวินิจฉัยว่าให้ถือเอาแบบนี้เป็นแบบเดียวเพื่อไม่ให้มีการขัดแย้งแตกต่างกันสวดซักซ้อมกันดังนี้ไปจนหมดแล้วก็เป็นที่ตกลงถือเอาแบบที่ตกลงกันนี้แหละเป็นหลักนี้แหละเรียกว่าสังคายนาที่ทํากันคราวหนึ่งคราวหนึ่งในสมัยที่ยังไม่จารึกลงไปตัวอักษรนั้นเป็นของจาเป็นอย่างยิ่ง นา น, นานก็ต้องมาเลือกเอาผู้ที่มีความทรงจําเป็นที่เคารพนับถือเป็นอาจารย์บอกกล่าวมารวมกันแล้วก็มาหารือตกลงกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งและก็สวดจํากันเป็นแบบเดียวถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเลื่อลือนสับสนขัดแย้งกันนี่แหละท่านทํากันเรื่อยๆมาครั้งที่หนึ่งสองสามสี่มาจนถึงที่ห้าจึงได้จารึก ลงเป็นตัวอักษรคราวนี้เมื่อจารึกเป็นตัวอักษรแล้วความรู้สึกของพระว่าจะต้องจำก็น้อยลงเพราะว่ามีตัวหนังสือขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ทรงจำได้ทั้งหมดจะบับที่จารึกไว้ในลังกาที่กล่าวมานั้นก็ได้เป็นต้นฉบับซึ่งแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในปัจ น, นี้ดังในปมมาในไทยในยุโรป ก็ได้ต้นฉบับมาจากแหล่งเดียวกันนี้การสังคยนาในครั้งหลังๆนั้นก็หมายความว่าเอาแบบมาสอบกันเท่านั้นไม่จะเป็นสังคยนาแท้สังคยนาแท่นั้นมีในสมัยต้นก่อนแต่ที่จะได้เขียนเป็นอักษรดังที่น า, ารพม่าทำสังคยนาที่เขานักของเขาเป็นครั้งที่หกคือว่าเขานับในอินเดียครั้งที่หนึ่งสองสาม แล้วก็มานักครั้งที่ห้าที่จารึกเป็นตัวอักษรในหลังกาต่อเป็นครั้งที่สี่แล้วก็พระเจ้ามินดงให้เขียนลงในแผ่นศิลาทั้งหมดทั้งสามปิดกนี่เขนับเป็นครั้งที่ห้ามาถึงคราวจำพระคราวยีหพุทธศตรวรรษนี้เขานับเป็นครั้งที่หกนี่ก็คือว่าเขาพิมพ์พระไตรปิฎกของเขาขึ้นใหม่นั่นเองเอาฉบับของยุโรปของไทยเป็นต้นไปสอบที่ปรากฏว่าผิดชัดๆเขาก็แก่ ที่ไม่ชัดเขาก็เชิงหน้าเอาไว้ว่าของยุโรปว่าอย่างนั้นของไทยว่าอย่างนั้นข้านิมนพระจากประเทศต่างๆที่เป็นลทัทธิเถราวา ด, ด้วยกันในทุกประเทศไปประชุมกันในถ้ำป่าสารกูหาที่กาบะเอที่อูนุสร้างขึ้นใหม่ประชุมกันเอาหนังสือพระไตรปิฎกที่พิมพ์ใหม่นั้นมาอ่านรพร้อมๆกันนั่นแหละเรียกว่าสังขยาและประกาศไปทั่วโลก โดยเขาจัดเอาพระที่จะเป็นผู้สวดยืนที่ไว้ชุดหนึ่งแล้วกัพระที่เขาเชิญก็ไปร่วมสวดผิดบ้างถูกบ้างไปตามเรื่องแต่ก็มีพระที่สวดประจําอยู่ชุดหนึ่งเอาหนังสือที่พิมพ์ขึ้นใหม่ไปอ่านนี่เองส่วนของเรานั้นเมื่อรัชกาลที่หและเมื่อรัชกาลที่เจ็เราก็พิมพ์ขึ้นต่อมาครั้งหลังๆก็พิมพ์ซ่อมเล่นที่ขาดตลอดมา และก็มีเชิงหน้าเหมือนอย่างนั้นว่าของประเทศนั้นว่าอย่างนั้นของประเทศนี้ว่าอย่างนี้เพราะในบัดนี้ไม่อาจจะแก้ลงไปได้ต้องปล่อยให้ผิดเพี้ยนกันไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากตรงกันผิดเพี้ยนกันบ้างไม่มากอะไรเล็กน้อยเท่านั้นคราวนี้ธรรมเนียมสังขยนาคือธรรมเนียมที่ประชุมสวดกันซักซ้อมกันประจาวัน ก็ยังติดมาเป็นส่วนมนุ์ประจําวันในวัดต่างๆดังกล่าวแล้วทาวัด ส่วนทมเนียมทมวัดนั้นติดมาจากเมื่อพระพุทธเจ้ายัางมีพระชนอยู่พิษุก็ไปประชุมกันฟังธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันเหมือนกันคือว่ามีทมเนียมที่พระไปประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วกิจที่ไปเฝ้าพระองค์ทุกวันก็หมดไปแต่ว่าเมื่อได้มีวัดมีโบสถ์มีวิหาร ได้สร้างพระปฏิมาเป็นประทานอยู่ในโบสถ์ในวิหารขึ้นก็ตั้งทำเนียมพระประชุมกันในโบสถ์วิหารเหมือนอย่างเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เมื่อเข้าไปประชุมกันในโบสถ์วิหารแล้วจึงได้แต่งบทสันเสริญคุณพระรัตนไตรขึ้นสวดดังบททำวัดเช้ารำวัดค่ำเป็นบทสดุ ด, ดีคุณพระรัตนตรยอย่างพุทธาพิทุติธรมมาพิทุติ สังขาพิทุติคำว่าทุตินั้นเป็นบาลีถ้าเป็นสันสกฤตก็เป็นสดุดีจึงเท่ากับว่าพุทธาพิสดุดีธรรมาพิสดุดีสังขาพิสดุดีคือสันเสริญคุณพระรัตนตรยัยเดิมก็มีบทที่ตั้นแต่งไว้สำหรับสวดแต่เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯระเด้ส่งพระราชนิพลบทรมวัดเชา้ารำวัด้่ำขึ้นใหม่ ดังที่เราใช้สวดกันอยู่ทุกวันนี้โดยทั่วไปเรียกว่าทมวัดเท่ากับว่าไป็นวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันด้วยการสวดมนต์สันเสริญคุณพระรัตนตรัยและเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วโดยปกติก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ฉะนั้นจึงได้สวดมนต์ต่อก็คือสวดพระสูตรเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ และเป็นการรักษาธรรมเนียมที่สวดซักซ้อมความทรงจำดังกล่าวมานั้นด้วยหลักฐานเรื่องอภิธรรม จะกล่าวถึงเรื่องอภิธรรมต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาและได้เล่าถึงเรื่องพระตริฎกว่าอภิธรรมนั้นมีแสดงไว้ในอภิธรรมปิฎกแต่ว่าไม่ได้มีเล่าประวัติไว้แต่อย่างไรแสดงแต่ธรรมะขึ้นมาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อจะค้นดูประวัติของอภิธรรมในตำราชั้นเดิมคือในพระไตรปิฎจึงหาไม่พบ ในวินัยปิฎกเองที่เล่าถึงเรื่องสังขยาครั้งที่หนึ่งที่ทำเมื่อหลังพุทธปรินิพานไม่นานนักและสังขยนาครั้งที่สองที่ทำเมื่อหลังจากพุทธปรินิพานประมาณร้อยปีก็เร่าแต่เพียงว่าได้ทำสังขยาพระวินัยและพระธรรมไม่ได้กล่าวถึงอภิธรรมปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าเจานิพานก็ยังได้ทรงแสดงว่าธรรมะที่ทรงแสดงแล้ว วินัยที่ทรงบัญญัติแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ก็กล่าวถึงแต่ธรรมะและวินัยเท่านั้นไม่ได้พูดถึงอภิธรรมฉะนั้นนักศึกษาพระพุทธศาสนาที่วิจารณ์ทั้งประวัติและทั้งเนื้อความของปิฎกทั้งสามจึงมีมากท่านที่ลงความเห็นว่าอภิธรรมปิฎกนั้นมีในภายหลังแต่ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาหลายร้อยปีเข้า จนถึงสมัยแต่งอัตกถาประมาณว่าพระพุทธศาสนาล่วงมาขนาดพันปีจึงได้ปรากฏหลักฐานในคัมภีอัตรกระถาที่แต่งในสมัยนั้นจึงได้ปรากฏหลักฐานในคมภีอัตรกระถาที่แต่งในสมัยนั้นถึงเรื่องประวัติของอภิธรรมว่าพระพุทธเจ้าไปเทศอภิธรรมแด่พระพุท ธ, าทธรรมา ร, รดาที่ดาวะดึงสปิภพและถ้อยคําในอัตรกรถาแสดงว่า มีการนับถือคัมภีร์อภิธรรมนี้เป็นอันมากใครจะคัดค้านว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธวจนะเป็นไม่ได้ในอัตถกถาเองได้ประนามคนที่คัดค้านอย่างเป็นคนนอกาศาสนาเลยทีเดียวแต่เพราะได้กล่าวไว้เช่นนั้นก็บ่งว่าคงจะได้มีผู้คัดค้านมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วจึงได้เขียนว่าอย่างนั้นท่านหมายถึงอัตถกถาได้แสดงหลักฐานว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อภิธรรมได้ทรงพิจารณาอภิธรรมจนถึงได้แสดงอภิธรรมแทรกเข้าไว้อย่างมากมายที่มีเล่าไว้ในวินยัยปิฎกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขคือความสุขที่เกิดจากวิมุตติความหลุดพ้นที่ควงหมายต่างๆหสัปดาห์สัปดาห์ที่หนึ่งประทับนั่งนักควงหมายโพพฤกษ คือ but, ไม้ที่ได้ตรัสรู้สัปดาห์ที่สองได้ประทับนั่งที่ขวงไม้นิโครธคือควงไม้ใสสัปดาห์ที่3ได้ประทับนั่งที่ขวงไม้มุจลินทะคือควงไม้จิกสัปดาห์ที่4ประทับนั่งที่ควงไม้ราชาญาติณัตคือควงไม้เกตสัปดาห์ที่5ได้ประทับนั่งที่ควงไม้ใสอีก พระอัตกถาจารย์ผู้เขียนตำนานอภิธรรมได้แทรกไว้ในคำพีอัตกถาอีกสมสัปดาห์จากสัปดาห์ที่หนึ่งในบาลีคือสัปดาห์ที่สองเสด็จจากไม้มหาโพไปทางที่อีสานทรงยืนถวายเนรคือว่าจ้องดูพระมหาโพในที่นั้นจึงเรียกว่าอนิมิตตะเจดีแปลว่าเจดีที่ทรงจ้องดู โดยไม่ได้กระพริบพระเนตรที่เป็นมูลให้สร้างพระถวายเนตรสำหรับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามเสด็จจากที่นั้นมาหยุดอยู่ระหว่างมหาโพกับอนิมิตตเจดีนั้นทรงเนรมิตที่จงกรมขึ้นแล้วเสด็จจงกรมณาที่นั้นที่นั้นจึงเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีแปลว่าที่จงกรมแก้วคำว่าที่จงกรมแก้วนี้ อาจารย์หนึ่งก็ว่าเป็นเรือนแก้วที่เป็นเทพนิมิตอีกอาจารย์หนึ่งก็ว่าไม่ใช่เป็นเรือนแก้วแต่ว่าหมายถึงที่เป็นที่ทรงพิจารณาอภิธรรมสัปดาห์ที่สี่ประทับนั่งขัดบัลลังก์ในทิศปัจจิมหรือทิศพายักษแห่งมหาโพธิ์ทรงพิจารณาอภิธรรมจึงเรียกว่ารัตนคระเจดีแปลว่า เรือนแก้วคำว่าเรือนแก้วนี้อาจารย์หนึ่งก็ว่าเป็นเรือนแก้วที่เป็นเทพเนื้อรหิอีกอาจารย์หนึ่งก็ว่าไม่ใช่เป็นเรือนแก้วเช่นนั้นแต่หมายถึงที่เป็นที่ ท, ทรงพิจารณาอภิธรรมรัตนคระคือเรือนแก้วนี้ก็เป็นมูลให้สร้างพระพุทธรูปมีเรือนแก้วเหมือนอย่างพระพุทธจินนราชที่จังหวัดพิษิโโลมีเรือนแก้ว เมื่อท่านแทก็มาอีกสามสัปดาห์ดังนี้สัปดาห์ที่สองตามที่แสดงในบาลีก็ต้องเลื่อนไปเป็นที่ห้าและก็เลื่อนไปโดยลําดับท่านก็ได้อธิบายไว้ด้วยว่าการที่แทรกนอกจากพระบาลีออกไปดังนั้นไม่ผิดไปจากความจริงเพราะในบาลีแสดงโดยย่อเหมือนอย่างพูดว่ากินข้าวและนอนความจริงกินข้าวแล้วก่อนจะนอนก็ได้มีกิจอื่นอีกหลายอย่าง แต่ว่าเว้นไว้ไม่กล่าวฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงกิจที่เว้นไว้นั้นใส้บ ร, ริบูรณ์ตำนานอภิธรรมดังกล่าวมานี้ได้มีกล่าวไว้ในหนังสืออัตกถาที่เขียงขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาแล้วนานดังที่ได้กล่าวมาแล้วและท่านก็ยังได้เล่าไว้อีกว่าคัมภีอภิธรรมนั้นมีเจ็ดคำพีเรียกว่าสัตตปรกรณ์ปรกรณ์ก็แปลว่าคัมภี สัตตะแปลว่าเจ็ดสัตตปกรก็แปลว่าเจ็ดคำพีคำนี้ได้นํามาใช้เมื่อบางสุกุลประสบเจ้านายตั้งแต่หม่อมจเจ้าขึ้นไปคําว่าสดับปกรก็มาจากคําว่าสัตตปกรคือเจ็ดคำพีนี้เองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงทั้งเจ็ดคำพีเว้นคัมภีรคกถาวัตถุส่งแสดงแต่หกคมภีร์ส่วนคัมภีคาถาวัตถุนั้น พระมุคัลลีบุตรติดสัพเถระเป็นผู้แสดงในสมัยสังขยาครั้งที่สามแต่ว่าพระเถระก็ได้แสดงตามไวยะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ฉะนั้นจึงได้ครบเจ็ดปรกรณ์ในสมัยสังขยนาครั้งที่สามนั้นและก็ถือว่าเป็นพระพุทธภาษิตทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้าได้ประทานไวยะไว้ในตำนานนี้ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้า ได้เทศอภิธรรมตลอดเวลาไตรมาสคือสามเดือนโดยไม่มีเวลาหยุดยัง้งฉะนั้นจึงได้เกิดปัญหาขึ้นสองข้อข้อหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำรุงพระสริระเช่นเสวยหรือปฏิบัติสรีรกิจอย่างอื่นตลอดไตรมาสหรือข้อสองพระอภิธรรมมาทราบกันในเมืองมนุษย์ได้อย่างไรปัญหาเหล่านี้ท่านผู้เล่าตำนานอภิธรรมก็ได้เล่าแก้ไว้โดวยว่า เมื่อเวลาพิษ า, าจารย์คือเวลาทรงบินทบาทก็ได้ทรงเนรมิตรพระพุทธนิมิตไว้ทรงอธิษฐานให้ทรงแสดงอภิธรรมตามเวลาที่ทรงกําหนดไว้แทนพระองค์แล้วเสด็จลงมาปฏิบัติพระสเีรกิจที่สานุดาดแล้วเสด็จไปเที่ยวบินทบาทที่อุตตรากุรุทวีเสด็จมาเสวยที่สถานั้นเสวยแล้วเสด็จไปประทับพักกลางวันที่นันทนวัน ต่อจากนั้นจึงเสด็จขึ้นไปแสดงอภิธรรมต่อจากพระพุท ธ, ธนิมิตและที่นันทนวันนั้นเองท่านพระสารีบุตรได้ไปเฝ้าทำวัดปฏิบัติพระองค์จึงได้ประทานนัยยะอภิธรรมที่ทรงแสดงแล้วแก่ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ได้มาแสดงอภิธรรมแก่หมู่พิสุที่เป็นสัตวิหาริกของท่านต่อไปท่านแก้ไว้อย่างนี้ ก็เป็นอันแก้ปัญหาทั้งสองข้อนั้นตามคําคแก้ของท่านนี้เองก็สองว่าอภิธรรมมาปรากฏขึ้นในหมู่มนุษย์ก็โดยพระสารีบุตรเป็นผู้สแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อพูดกันอย่างในเมืองมนุษย์ท่านพระสารีบุตรจึงเป็นผู้สแสดงพระอภิธรรมนั่นเองแต่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่ใช่นักอภิธรรมองค์แรกพระพุทธเจ้าเป็นนักอภิธรรมองค์แรกเพราะได้ตรัสรู้พระอภิธรรม ตั้งแต่ราตรีที่ได้ตรัสรู้ได้ทรงพิจารณาอภิธรรมที่รัตนครเจดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วและได้ทรงแสดงนัยะแห่งอภิธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรจึงได้มาแสดงต่อไปในบัดนี้ได้มีท่านผู้หนึ่งในปัจจุบันเขียนหนังสือค้านว่าอภิธรรมปีดกนั้นพิณเป็นหนังสือได้เพียงสิบสองเล่ม ตามประวัติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอยู่ตลอดสามเดือนไม่มีเวลาหยุดได้ยังได้กล่าวอีกว่าได้มีรับสั่งเร็วคือว่าพระพุทธเจ้าพูดเร็วกว่ามนุษย์สามัญหลายเท่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าจะมารวมพิมพ์ขึ้นก็จะต้องกว่าสิบสองเล่มไปไหนไหนแต่เมื่อหนังสือนี้ออกไปแล้วได้มีผู้รับถืออภิธรรมไม่พอใจกันมากเพราะเหตุดังที่ได้กล่าวแล้วในหลักฐานตั้งแต่ชั้นอัตตกถานั้น ได้มีผู้นับถืออภิธรรมมากจนถึงในบัดนี้ก็ยังมีผู้นับถืออภิธรรมกันอยู่มากในพม่านั้นนับถือมากเป็นพิเศษจนถึงได้มีนิทานเล่าเป็นประวัติไว้ว่าเชิญเรือพระไตรปิฎกจากนางกามาสามลำและมาเกิดพายุพัดเอาเรือที่ทรงพระอภิธรรมปิฎกไปประเทศพม่าเอาเรือที่ทรงวินัยปิฎกไปประเทศปรามันเอาเรือที่ทรงสุตตันตปิฎกมาประเทศไทย นี้เป็นเรื่องที่ผูกึ้นนานมาแล้วมาพิจารณาดูก็มีเขาอยู่บ้างเพราะว่าพม่านั้นนับถืออภิธรรมมากรามันก็เคร่งครัดในวินัยส่วนฝ่ายไทยนั้นอยู่ในสถานกลางไม่ใคร่เคร่งวินัยนักและก็ไม่ย่อหย่อนอย่างพมา่าพอใจจะถือเอาเหตุผลซึ่งก็สงเคราะห์ ว, ว่าเป็นฝ่ายสุดตันตปิฎก แต่ว่าสาระถัดในอภิธรรมนั้นมีมากถึงท่านจะไม่แสดงประวัติให้พิสดารไว้อย่างไรสาระถัดในอภิธรรมนั่นเองก็เป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็จะทำให้ได้ความรู้ในพระพุทธศาสนาพิสดารขึ้นอีกเป็นอันมาก ตตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป